38หยุดเถิดหยุดทำความผิดนี้การเสียเถิดหยุดเถิดหยุดทำความผิดนี้เสียเถิดเป็นสิทธิ์ของคุณก็จริงแต่มันผิดจริงๆนะมันเห็นชัดเจนเหลือเกินแล้วว่ามันผิดมันเป็นบาปตรวสตามพระไตรปิฎกการดีๆอย่าอาาติเลย คืนสัมปราชานะมุสาวาดนั้นทำบาปใดๆก็ได้ทั้งนั้นนะการพูดนี้ไม่ต้องขออนุญาตเพราะขอก็ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้มีจิตโกรธเกลียหรือคิดชังผู้ที่ทำผิดนี้เลย ออกสงสารจริงๆที่ยังตั้งหน้าตั้งตาทำผิดอยู่อย่างไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแต่ยังดื้อด้านก็ไม่ทราบได้ก็น่าจะรู้ตัวนะเพราะเป็นคนฉลาดมีคนฉลาดอยู่มากเพียงแต่อวิชชาหรือโมหะ หรือไม่ก็สาเฉยยะธรรมภะสารัมภะเท่านั้นเพราะเท่าที่เห็นอยู่ต้งๆยังไม่มีความรู้แม้แค่คำว่ากายนั้นคืออย่างไรตามสัมมาทิฐิทางทางที่กายนี้อยู่กับชีวิตใกล้ชิดกับตนอยู่แท้แท้ก็ยังไม่รู้จักธรรมะที่เป็นธรรมกาย อันเข้าขั้นโรครธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีนี้คือตถาคตมีแต่อวดอธรรมกายที่เป็นองค์ประชุมของรูปนามอันไม่ใช่พุทธนอกรีกพุทธแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธอยู่ไม่รู้จักจบสิ้น เมื่อไม่รู้จริงสิ่งที่ผู้ประกาศจึงเป็นความเท็จหรือไม่ก็โกหกด้วยความโลภเห็นแก่ได้หลอกลวงผู้คลด้วยความฉลาดเชกะอาตมาก็ได้แต่ปฏิกโกศนาเท่านั้นตามธรรมวิไนที่ให้ทำได้คือที่พูดโดนจังๆนี้แหละ พูดไปนี้มันกระทบหน้าแ ง, งกันแน่ๆ น, นี่แหละ